การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามันเป็นมากกว่าการพักใจหรือมาหาความสงบเท่านั้นการพักใจหรือการมาหาความสงบ ก, ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่ว่าบางครั้งมันก็เหมือนกับการกินแอสไพรินนะเพื่อระ ง, งับความ เจ็บปวดชั่วคราวแต่ว่ามันไม่ได้รักษาโรคทุกคนอาจจะมีสุขภาพดีทางกายแต่ว่าทางใจเนี่ยมันก็มีโรคอยู่โรคนี้ก็เกิดจากความเห็นกั่ตัวหรือเกิดจากกิเลสเกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู ซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราปรุงแต่งขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเรามิติมุ่งหมายก็คือการทำให้กิเลสและความเห็แก่ตัวนี่มันลดลงจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าไม่ไม่มีตัวไม่มีตน ดอรู้ตระหนักชัดว่ามันไม่มีอยู่จริงไอตัวกูของกูเนี่ยและตรงนั้นแหละที่จะทำให้เกิดความอิสระภาพอย่างแท้จริงถ้าปฏิบัติทำแล้วนี่ความเพ่งกับตัวหรือกิเลสไม่ลดลงอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ก้าวหน้าเท่าไหรนะ่บางคนก็มาปฏิบัติเพื่อหวังความสงบ ผ่อนคลายเพื่อจะได้กลับไปเห็นแก่ตัวเหมือนเดิมหรือกลับไปแสวงหากําไรขูดรีดเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสงบได้อย่างแท้จริงสิ่งที่จะวัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติอันหนึ่งก็คือว่าเรามีความ เอื้อเฟือเผื่อแผ่มากขึ้นมีน้ำใจกับผู้อื่นมากขึ้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่รู้สึกมีเมตตากรุณามากขึ้นเลยหรือว่าไม่มีน้ำใจอดอ้อมอารีเพิ่มขึ้นเลยนี่แสดงว่ายัางไม่ก้าวหน้าถึงว่าการปฏิบัตินะการเจริญสติตนี้โดยพาะที่นี้เราในเรื่องการ รู้เท่าทันความคิดแต่ถ้ารู้เท่าทันความคิดเล็กๆน้อยๆนะกระจิบกระจ้อยนี่มันมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ต้องรู้เท่าทันถึงความเป็นแกนตัวหรือเท่าทันกิเลสด้วยาบางคนนี่อาจจะเก่งหรือถนัดในการรู้ทันความคิดเล็กๆน้อยๆนยนะรู้ทันความคิดปรุงแต่งหรืออาจจะเห็น รู้สันกิเลสตัวเล็กๆแต่กิเลสตัวโตวๆไม่เห็ น, นความหวงแหนก็ยังมีอยู่มันก็ไม่ทำให้พบกับความสงบอย่างแท้จริงมีแม่ชีคนหนึ่งนะก็สาสลัดเพศคารวาสนะหรือสละดชีวิตครองเรือนมาบวชมาบวชอยู่ที่นี่ ก็บวชอยู่หลายปีนะแต่วันหนึ่งนี่เดินจงกรมไปก็ทุกมากเลยเดินไปก็คิดไปนะ <c oughs> กุ้มใจมันเกิดอะไรขึ้นหรือก็คือลูกสาวนี่มาขอยืมเงินพันบาทแกก็หวงเงินนะพันบาทนี่ก็คิดอยู่นั่นแหละนะ ไม่รู้คิดว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือคิดว่านึกเสียดายเงินที่ให้ยืมไปนั่งเรียกว่าเดินจงกรมแบบกลุ่มใจไปก็ไม่รู้ว่ามาบวชนี่เพื่ออะไรนะถ้าบวชเพื่อจะนิพพานเนี่ยแต่ว่าหัวงแหนเงินแค่พันเดียวอันนี้ก็แสดงว่าโดน ก, กิเลสมาเล่นงานไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ ตั้งเป้าสูงนะในในในชีวิตยิ่งมารู้ธรรมะเรียนศึกษาธรรมะมากขึ้นก็ก็คิดจะเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายแต่ว่าไอ้เรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนี่ตัดใจไม่ได้อย่างบางคนก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีติดหนังเกาหลีเหลือเกินเกาหลีซีรีส์นี่ติดดูมันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ ตั้งแต่เย็นจนเช้าเลิกไม่ได้ทำยังไงดีนะก็ไม่เห็นต้องทำยังไงหรือก็ไม่ต้องดูขคานั้นแหละแต่แต่เลิกไม่ได้นะทั้งๆ ท, ที่ก็มุ่งนิพพานนะแต่ว่าเสียดายหวงแหนนะไอ้ความสนุกนะจากหนังก็ไม่เคยดูนะก็พูดได้นะดูแล้วจะติดก็ได้ แต่ว่าถึงแม้มันติดมันก็ต้องตัดใจได้นะการปฏิบัติธรรมนี่เราต้องกล้าที่จ ะ, ะตัดใจนะโดยเพราะให้ความความหวงแหานที่เกิดจากกิเลสทีจริงความหวงแหนทุกอย่างมันเกิดจากกิเลสทั้งนั้นแหละแต่นี้มันเป็นกิเลสขั้นยากมากคือความความอยากอยากเสพอยากเสพในกามาสุข ว่าเสดายนะหวงแหนในความสุขอย่างนี้ถ้ายัางติดความสุขแบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะอย่าว่าแต่นิพพานเลยแม้ั้งความความสงบขั้นพื้นพื้นที่เคยพูดถึงเรื่องเนคข ม, มัสสุ น, มมสนี่เป็นความสงบเบื้องต้นเป็นความสุขเบื้องต้นก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ไม่ต้องให้รู้ทันนะรู้ทันกินเลสรู้ทันความเห็นกก่ตัวให้ได้ ความหวงแหนคนเราก็หวงแหนหลายอย่างหวงแหนสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมเช่นเงินทองหวงแหนสิ่งที่เป็นนามธรรมนะเช่นการมาสุขหรือว่าความสุขในความเปรจอร่อยนะบางทีก็หวงแหนภาพลักษณหวงแหนภาพลักษ ภาพลักษณ์เดือนนี้คนก็ติด ก, กันมากเพราะว่าพอมีทุกอย่างในชีวิตแล้วเนี่ยมันก็อยากได้ภาพลักษณ์ที่ดีคนเราพอมีพอมีกินมีใช้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็จะคิดถึงเรื่องของภาพลักษณ์ขึ้นมาคืออยากให้ดูดนะีให้ดูดีในสายตาของคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องภาพลักษณนะ์การที่ไปพยายามแต่งหน้าแต่งตาหรือว่าพยายาม เสริมสวดทรงพยายามลดความอ้วนนี่ก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์อันนึงอยากให้ดูดีในสายตาคนอื่นรวมทั้งการติดเครื่องพวกสินค้าแบรนด์เนมอยากได้ของแพงๆสวมใส่อยากขับรถเบนซ์อันนี้มันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์เพื่อให้คนเขารู้สึกว่าเรานี่มีความภูมิฐานมีความเท่ความทันสมัยแต่ว่า นอกปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ติดเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ติดภาพลักแบบนี้แต่จิตติดภาพลักอย่างอื่นก็อู่ภาพลักษว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนสงบฉันเป็นคนนิ่มนวลแล้วก็พยายามห่วงแหนภาพลักษณ์เอเนวยังทั้งที่ความจริงตัวเองก็จะยังมีกิเลสอยู่แต่พอแสดงกิเลสออกไปมันไม่ตรงกับภาพลักก็ก็พยายามปฏิเสธว่าฉันไม่เป็นอย่างนั้น ฉันไม่ใช่เป็นคนขี้โมโหฉันไม่ใช่เป็นคนขี้ฉาฉันเป็นคนสมถะอันนี้ก็ก็กลายเป็นคนไม่ซื่อขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากจะทําให้คนเห็นภามลักษณ์ของตัวในทางอื่นและพอคนเขาเขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์นะหรือถึงแม้เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ท, ท, ทั้งที่เราไม่ได้เป็นเราก็ทุกข์นะ เพราะว่าอยากจะให้เขาเห็นเราตามความเป็นจริงซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปเอาความสุขของเราเนี่ไปผูกติดกับความความคิดหลือสายตาของคนอื่นเดีย๋ยวนี้เนี่ยเราเอาคุณค่าของตัวเองหรือความผาสุขของตัวเองไปผูกติดกับสายตาของคนอื่นมากคือขึ้นอยู่ว่าเขาจะมองเราอย่างไงถ้าเขามองเราเป็นลบเราก็ทูก นะ น, นี้ก็คือโทษของการที่เราหวงแหนภาพลักษณนะพอหวงแหนภาพลักก็คือมันก็ยืมจมูกคนหายใจเราจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่ว่าเขามองเราอย่างไรถ้าเขามองว่าเราว่ า, วาดีฉันก็มีความสุขถ้าเขามองฉันว่าไม่ดีฉันก็มีความทุกข์นี้เรียก ว, ว่ายืมจมูกคนหายใจแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรทั้งหมดที่พูดมามันก็เป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของกิเลสนั่นแหละแล้วก็หรือพูดงา่ายคือความเห็นแก่ตัว ความนี้กระตัวมันแสดงออกได้หลายอย่างนะแสดงออกมาจากการที่คิดแต่จะเอามากๆหรือหวงแหนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ค่อยมีน้ําใจเ อ, อื้อเฟื้อเอื้อกูนต่อผู้อื่นอันนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสตัวโตที่เราต้องเห็นปฏิบัติธรรมนี่ไปเห็นแต่กิเลสตัวเล็กๆที่มันออกมาเป็นความคิดเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามกวาดนะ กวาดใบไม้หรือกวาดกวาดกรวดกวาดหินก็กวาดได้เยอะแยะเลยนะกวาดฝุ่นกวาดใบไม้แต่ว่าหินก้อนใหญ่ๆที่มันวางอยู่กลับมองไม่เห็นแล้วก็ไม่คิดจะขับไม่คิดจะผลักไม่คิดจะขยืนมันนอกปฏิบัติธรรมจำนวนมากก็เรียกว่าพนอหรือประคองรักษาไอ้กิเลสความเห็นแก่ตัวนี่เอาไว นะเรื่องเงินเรื่องทองก็ปล่อยวางไม่ได้นะแต่ว่าคิดจะมุ่งนิพพานแล้วบางทีก็ไปติดกับเรื่องเล็กเรือน้อยเช่นเจออาหารที่ไม่ถูกปากอาหารที่ไม่อร่อยนะ ก, ก็ก็เฝ้าต่อเพี้ยงหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาหรือว่าเจอกุฏิที่พักที่มันไม่มันไม่ มันไม่ดูดีนะหรือไม่สะดวกสบายก็ไม่เอาละนะเป็นคนช่างเลือกถ้ายัางติดอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ยากที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้อย่ะว่าแต่นิพพานเลยนะแม้แต่ความความสุขความสบายอย่างโลกโลกนี้ก็ยากที่จะพบเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลือก ได้พบกับสิ่งที่เราชอบได้บางทีก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบอันนี้เป็นธรรมดาลโลกมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่พร้อมหรือไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนี้ไดนะ้เราก็จะมีความทุกข์เราก็จะทุกนู่นทุกนี้อยู่เรื่อยการปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัตินี่ต้องต้องมีความกล้าต้องมีความกล้าที่จะตัดใจนะกล้าที่จะ จอสัมผัสกับสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลสจนะไปตามใจกิเลสมันบ่อยนักนะต้องกล้าที่จะขัดขืนกิเลสบ้างมันอยากได้อย่างงนก็ต้องขัดขืนมันบ้างไม่ใช่ว่าทําตามมาทุกอย่างคุณสมบัติหนึ่งของนักปฏิบัติคือความกล้านะความกล้าที่จะเจอสิ่งที่ไม่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ อาหารที่ไม่ถูกใจก็อก็ไม่หนีไม่ถอยไม่ใช่เจออาหารที่ไม่ถูกใจฉันถอยบางคนที่กินเนื้อพอเจออาหารมังสวิรัตเข้าโอ้ยก็อ่อนแอขึ้นมาทีเดียวนะโอ้ยกินไม่ได้นะมันเดียวมันจะไม่มีโปรตีนมันจะไม่มีกําลังก็ไม่รู้จักกําลังไปทําอะไรนะเป็นนักปฏิบัติก็ไม่ได้ใช้กําลังอะไรอยู่แล้วแต่กินเหลมก็ปรุงแต่งเหตุผลขึ้นมา แล้วทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนสำออยกลายเป็นคนอ่อนแอจินบังสวิรัต์ก็ไม่ได้นะอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ่เจอกุติที่ไม่สะดวกสบายกุติไม้ก็ไม่เอานะคือช่างเลือกนะเพราะว่าเราตามกิลตามใจกิเลสมากไปนั่นก็จะไม่มีความสุขเราก็จะไม่มีความสงบได้ มาปฏิบัติทั้งทีได้เครื่องมือไปแล้วคือสติก็ต้องเอามาใช้ในการที่สู้กับกิเลสให้ได้เช่นเจอของที่ไม่ถูกใจนะก็ก็เห็นเห็นอาการของใจที่มันงองแงมันงองแงพอเจออาหารบางส ว, วิรัตมันเจอมันงองแงที่เจออาหารไม่ถูกใจเป็นอาหารชาวบ้านก็เห็นมันแล้วก็สามารถที่สาไปเห็นว่าเนี่ยคือไอ้ตัวกิเลสนั่นเองคือความเป็นแค่ตัวนะ มันอยากได้มันอยากได้ของดีๆที่มาปนเปอือกิเลสดูให้ดีไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความทุกข์ของเรานะั่นเป็นความทุกข์ของกิเลสกิเลสมันมวยวายกิเลสมันงอแ ง, งก็ต้องเห็นนะไม่ใช่เห็นแต่ความคิดเล็กๆ น, น้อยๆที่ผุดโผล่ขึ้นมาแล้วก็วางได้แต่ไอ้อาการงอแ ง, งของกิเลสนะมองไม่เห็นวางไม่ได้นะไป ลงเชื่อคล้อยตามมันไปทุกเรื่องบางครั้งเราก็อาจจะอาจจะถึงแม้จะรู้เท่าทัน แ, แล้วติดจิตใจเราอ่อนแอนะอ่อนแอไม่กล้าที่จะขัดขืนกับกระแสของกิเลสเดี๋ยวว่าแต่ความอยากได้น่นอยากได้นี่เลยบางทีพอคิดเรื่องอะไรสักอย่างที่มันเพลินลเราเกลิมพอรู้ทันเนี่ย ขณะที่จ ะ, จะจะหลุดจะจ ะ, จะตัดจากไอ้ความรู้สึกหรือความคิดนั้นเนี่ยกิเลสมนก็วิงวอนโอ้ย อ, อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยนะนคิดอีกหน่อยเธอปรุงอีกหน่อยเธอแล้วก็ยอมนะนี่ว่าไม่กล้าตัดใจแม้กระทั่งความคิดที่มันน่าพอใจก็ยังประคบประงมมันเอาไว้อันนี้เพราะว่าไปหลงเชื่อกิเลส น, นะหรือว่าไม่มีความ เข้มแข็งแล้วอย่างนี้จะทําอะไรได้นั่มันต้องฝึกตั้งแต่ขั้นเจอความคิดที่น่าพึงพอใจรู้แล้วก็จะวางแล้วพร้อมจะตัดใจได้ไม่ต้องอาลัยไม่ต้องหวงแหนถ้าการปฏิบัตินี่มันต้องมันต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจนะหลายคนอาจจะมีความเข้มแข็งในร่างกายแต่ว่าจิตใจนี่ไม่เข้มแข็งบางทีเจอไปกุตตินี่เจอ นึกพอรู้ว่าจะมีตุกแกนี่ก็ไม่เอาแล้วนะกลัวตุกแกแล้วนี่จะไปจะไปสู้กับกิเลสได้อย่างไรอย่าไปกลัวนะอย่าไปขี้กลัวต้องกล้านะกล้าที่จะเจอในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็ดูใจนะดูใจที่มันงองแงดูใจที่มันโวยวายใ้ความกล้านี่แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะ ก้าวหน้าในการปฏิบัติได้บางทีพระพุทโธท่านก็เปรียบนะว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการการทำสงครามทำสงครามกับใครก็ทาสงครา ม, มากับกิเลสแต่ว่าคนบางคนเนี่ยเพียงแค่ได้ยินเสียงของกองทัพฝ่ายศัตรูก็ก็ปอดละยอมแพ้ละนะชักมากลับไม่สู้ เพียงแค่ได้ยินเสียงแล้วยังไม่ทันเห็นตัวเลยบางคนนี่เพียงแค่เห็นชายธงยังไม่ทันเห็นตัวนะเพียงแค่เห็นชายธงมันโผล่ขึ้นมาก็ถอยละปลอดละหนีบางคนพอเห็นกองทัพมันเยอะเหลือเกินนะไม่ทันได้สู้เลยก็ถอยละนั่นมันต้องสู้นะต้องลุกต้องกล้าที่จะไปสู้กล้าที่จะเข้าไ ป, ปเผชิญ แพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้อง <c oughs> ต้องกล้าที่จะเข้าไปต่อกรรกับมันนะก็คือกล้าที่จะขัดขืนหรือทวนกระแสะกิเลสบ้างนะจริงถ้าเราปฏิบัติ ด, ด้วยการเจริญสติได้ถูกเนี่ยอย่างที่เคยบอกไว้แล้วว่ามันไม่จะเป็นต้องไปต้านกิเลสก็ได้เพียงแค่เห็นกิเลสเนี่ย แล้วก็ไม่ไม่คล้อยตามมันนะเท่านี้มันก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่บางคนก็ถูกกิเลสหลอกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องกล้าที่จะต้านกล้าที่จะทานกันมันบ้างนะอย่าไปอย่าไปอ่อนแอถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายไม่ได้คิดจะมุ่งพระนิพพานนะแต่ว่าถ้าแม้จะหวังความสุขความสงบเนี่ยก็ต้อง เรรู้ที่จะสู้กับกิเลสบ้างเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันครองใจหรือว่ายอมตามกิเลสในที่สุดมันก็จะครองใจเราเสร็จแล้วมันก็สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เราทาตามอนานาจของมันก็ได้ทำตามอำนาจของมันเท่าไหร่ก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุข พออยากได้อีกอกิเลสเนี่ยหรือว่าอัตตาเนี่ยมันไม่เคยพอใจได้เท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนายจะครองโลกทั้งโลกก็ไม่มีความสุขนะสมมุติว่าครองโลกได้ทั้งโลกเนี่ยก็ยังอยากจะได้พระจันทร์อยากจะได้ดวงดาวดวงอื่นนะเมืออย่างมนุษย์ตอนนี้นี่ก็เตรียมนะคิดเทียจะไปยิดครองสร้างอนณนธิคมในโลกพระจันทร์ต่อไปก็จะไปดาวองคาล ไม่มีความพอใจนะไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้กับสิ่งที่ตัวเองมีเพราะอยากได้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ ม, มากขึ้นเรื่อยๆและพอยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่นะมันจะเพศว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอมากคืออะไรมากระทบก็ไม่ได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ก็จะทุกข์ขึ้นมาหรือว่าจะระเบิดขึ้นมาทันที คนที่ยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยจิตใจจะอ่อนแอมากเพียงแค่คนเขาคำลบเขารบไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะไม่ชมแค่นี้ก็ทําให้ระเบิดได้มันเหมือนกับลูกโป่งนะลูกโป่งที่ที่ที่อัดลมก็ไปแน่นเลยลูกโป่งที่อัดลมแน่นเนี่ยเพียงแค่ใบหญ้า ไปถูกต้องไปสัมผัสข้าบางทีก็ถึงกับแตก ไ, ได้นะระเบิดดังสนั่นเลยให้ตัวตนที่ได้รับการปรกป้องงมพะนเอาพนอนเนี่ยจนกระทั่งมันพองโตเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นคือมันอ่อนแอมากอะไรมากระทบนิ ก, กระทบหน่อยก็ไม่ได้ให้สังเกตคนที่มีอานาจเนี่ยจะเป็นผู้ที่หงุดหงิดง่ายโกรธง่ายแม้แต่เพียงเรื่องเล็กน้อยนะ มันไม่ได้แสงในความยิ่งใหญ่นะั่นแต่มันแสงในความอ่อนแอเพราะการปล่อยให้อัตตาตัวตนเนี่ยมันพองโตและอย่างนี้จะมีความสุขได้อย่างไรนะบางทีเพียงแค่ฝนตกแดดออนนี่ก็โกรธละเพราะว่าใครๆก็อยู่ในอนํานาจของเราทุกอย่างเป็นไปตามอํานาจของเราหมดแต่พอเจอดินฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจเนี่ยก็จะโกรธดินฟ้าอากาศ จะไม่มีความสุขเลยถ้าเราปล่อยให้อัตาอ ต, ตามันพองโตและอัตตาพองโตนะยิ่งเห็นแก่ตัวมากหัวใจก็ยิ่งเล็กหัวใจเล็กใจเล็กแต่ว่าวอัตตาโตเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ให้กับความสุขเท่าไหร่แต่ถ้าคนเราเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นแก่ตัวน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ใจใหญ่แต่ตัวตนเล็ก มันก็จะมีเนื้อที่ให้กับความสุขได้มากขึ้นก็เรียกว่ากลายเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากแล้วถ้าตัวตนเล็กลงนะก็จะเป็นคนที่สุขง่ายเฉนั้นถ้าเราแม้เราจะไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานแต่หวังความสุขในชีวิตนี้ก็ต้องพยายามนะพยายามที่จะขัดกลาวตัวเองรู้เท่าทันนะอัตตาที่มันจะคอย บังคับบัญชาแล้วก็ไม่ยอมเป็นไปตามอานาจของมันถ้าทำงี้ถ้าฝืนมันไปเรื่อยๆนะหรือว่าไม่ไม่ยอมอยู่ในอำนาจของมันมันก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงลทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการสำคัญเลยในการที่จะช่วยลดอัอดตราตัวตนได้ อย่าแตเอาเอาอย่าเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวนะบางทีเราก็ต้องให้ทานแล้วก็รักษารักษาศีลรักษาศีลในที่นี้รวมไปถึงความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะอย่างที่บางทีเราก็เรียกว่าอัถจริยาในสังคฆวัตถุสีนเนี่ยมันมีทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานตตาตาอัจริยาคือการทําเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือเพื่อื่นอันนี้ก็จะว่าเป็นศีลถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หนึ่งในศีลห้า ที่จริงฐานนี่ก็จะว่าเป็นศีลข้อหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะํำไม่ใช่ว่าเอาแต่เอาแต่ปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าเรื่องทานไม่ไม่ทำหรือว่าการทําเพื่อส่วนรวมนี่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวมันมีพวกฝรั่งที่เขาไปไปปฏิบัติธรรมนะแล้วฝรั่งนี่ชอบไปนั่งสมาธิมากนะเคยไปอยู่วัดอมรวดีที่ประเทศอังกฤษก็มีฝรั่งมานั่งสมาธิ แต่ว่าพระฝรั่งท่านก็จะพูดว่าเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเอาแต่นั่งสมาธิแต่เรื่องการให้ทานนี่ไม่สนใจเลยรวมทั้งการเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้เพราะเขาคิดแต่หวังความสงบในจิตใจแล้วเขาคิดเขาคิดว่าเออทาสมาธิก็พอแล้วแต่ว่าทำสมาธิอย่างนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ช่วยลดกิเลส น, นะมันเพียงแค่ทำให้จิตใจหายเครียด คิดเรื่องงานก็ปล่อยวางเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวก็ปล่อยวางเรื่องครอบครัวมีเรื่องหนี้สินลบกวนจิตใจก็ปล่อยวางด้วยอำนาจของสมาธิจิตใจก็สบายแต่ถท่าความเป็นกับตัวลดลงไหมก็ไม่ลดเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันจะเป็นการทวนกระแสกิเลสเท่าไหร่นอกจากทานไม่ให้รัศมีบางทีก็ไม่ไม่สนใจนะย่าพระฝรั่งที่นั่นบอกว่าเนี่ยพวกฝรั่งนี ศีลห้านี่เขาไม่ค่อยยากปฏิบัติเท่าไหร่ศีลสีก็พอนะข้อการเมขอขอเว้นได้ไหมข้อการเมนี่ฝรั่งจำนวนมากก็ทำใจลำบากนะเพราะว่ามันติดยึดในความสุขทางการมมากแต่ว่าการที่เราให้ทานรักษาศีลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องการทวนกระแสกิเลสได้ขั้นต่ำๆนะเลยเพราะกิเลส ข, ขั้นยาก แต่ว่าก็จะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเวสสันดรชาดกคือพระเวสสันดรเนี่ยก็เป็นเรื่องของทานโดยตรงเลยแต่เป็นการบำเพ็ญทานขั้นอุกฤษมากเรียกว่าถ้าไม่ผ่านขั้นนี้ไปเนี่ยก็ยากที่พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้ชาติสุดท้ายนี่คือทาน นะสละทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เป็นของรักของรักนี่ไม่ใช่แค่อวัยวะในร่างกายเพราะไปสันดอนนี่ท่านพร้อมจะสละดวงตาตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบแล้วแต่สิ่งที่สละได้ยากคือสิ่งที่ตัวเองรักก็คือลูกนะอันนี้ยากกว่าแต่ว่าในที่สุดก็สละได้และนั่นแหละก็คือทำให้สามารถที่จะเลือกประตูสู่พระนิพพานก็เปิดขึ้น ในชาติต่อไปก็ก็ก็ทรงสงําเร็จมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะเด็นเรื่องทานนี่ก็สําคัญเหมือนกันความเสียสละความอื้อเฟื้อ น, นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญที่พระพุทธศาสน่บําเพ็ญมาตลอดห้าร้อชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเสียสละและความเอื้อเฟือมากทีเดียวอย่าเราจะมองข้ามนะอย่ามองข้ามเรื่องนี้ มันเป็นเครื่องทดสอบเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติธรรมเจอในก้าวหน้าแค่ไหนเพราะเวลาเราเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นเนี่ยข้างในมันก็จะบ่นนะข้างในมันก็จะมันจะต่อต้านไม่ชอบขึ้นมาเพราะเจอความไม่สะดวกเจอความไม่สบายแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่านี่เป็นโอกาสในการภาวนาเออก็ดูมันไปดูจิตใจที่มันบน่นจิตใจที่มันบวยวายจิตใจที่มัน ทุรนทุรายก็ดูวนไปมันก็ทําให้จิตเนี้ค่อยๆเชื่องขึ้น ก, กิเลสค่อยๆเชื่องถ้านะทําให้อยู่ในอํานาจของเราได้เนี่ยทานศีลภาวนาเป็นศีลเราต้องทําหรือจะเรียกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาก็ได้ทั้งวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการปลอดภัยด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ว่าจะปลอดภัยอย่างแท้จริงนี่ก็คือการตั้ง ขัดเกอกิเลสได้หรือว่าลดกิเลสรู้เท่าทันตัวตนอัตตาไม่ปล่อยให้มันคลองใจเพราะนั้นเวลาเราเจออะไรที่ไม่ถูกใจนี่ก็ต้องสู้นะอย่าไปถอยอย่าไปแพ้อาหารที่ไม่ถูกใจกุฏิที่ไม่ชอบดินฟ้าอากาศที่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกกับกิเลสนะก็ต้องเดินหน้าเข้าหามันอย่าไปกลัวต้องกล้าตัดใจนะ ถ้าเราทำอย่างนี้ได้นี่ก็เรียกว่าอุปสรรคในการปฏิบัติมันค่อยอก้าวข้ามไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความสงบเป็นรางวัลถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นนิพพานนะแต่ว่าก็จะได้ความสงบที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเาเราก็พูดกันเท่านี้ชางนี้ยกราบ